พวกเราท่านทั้งหลายมาจากกลุ่มพวาปีหลวงพ่อบอกว่าให้พวกเราตั้งสัตดิ์ความจริงจังและจริงใจในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สาหรับตนเองอันนี้พี่น้องทางกลุ่มพวาปีหรือทุกท่านที่มาจากถี่นอื่นก็ให้ฟังเอาไว้ว่าปีต่อไปเราจะทำอะไรบ้างในพรรษา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 ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ได้ขาดก่อนนอนจะทําวัดเย็นซะก่อนตื่นนอนจะทําวัดเช้าถึงจะมากหรือน้อยก็ต้องได้ทาวัดหรือข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาทุกวันวันละห้านาที10นาทีหรือเราจะข้าพเจ้าจะไซบาต ท, ทาบุญทุกวันไม่แห้ขาดหรือข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าทุกวันพระหรือตลอดไตรมาสมเดือน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 เป็นการทัศนศึกษาทัศนะคือการดูสถานที่ต่างๆว่าวัดของท่านเป็นยังไงทรงอบร่มเย็นเป็นสุขยังไงเราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเคหสถานของพวกเราทาไปดูหลายบ้านหลายเมืองเราจะเห็นเราจะไ ด, ได้ความรู้มากหลากหลายที่เราได้รู้ได้เห็นเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวัน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 อย่างนั้นม่นจึงจะถูกบางคนลูกหลานบางคนศรัทธาญาติโยมบางคนไปสู่วัดว า, าศาสนาไปตับกลับไปทําความชั่วไปกอบหวย เ, เอาบาปใส่ตนเองไม่ถูกนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเนะ่าหลวงพ่อขอเตือนบอกกล่าวให้กับพวกเราทุกๆท่านไปในสถ า, านที่ใดเราต้องดูเป็นสถ า, านที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสถ า, านที่วัดว า, าศาสนาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถ า, านที่ สร้างบุญสร้างกุศลพอเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปขโมยโพยโจรอันนั้นไม่ถูกนะอันนี้ก็คืออธินาทานาเว ร, รมะนีข้อที่สมกาเมสุมิสาจาราเว ร, รมะนีข้าพรเจ้าจะงดเคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นเขาเขาขเช่นเดียวกันเคารพสิทธิภรรยาซึ่งกันและกันสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขากรักสังวนห่วงแหน ของเราก็เช่นเดียวกันไม่แพ้กันเพราะเราไปล่วงล้ำเขาเ ข, เขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เครารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือศิลข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุมตนหลอกลวงเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันอย่างเขาเอาตะกลัว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 เราจะไปเสพให้โง่ดื่มให้โง่ทําไมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาทโยมนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าน ะ, ะคำว่าพุทธบริษัทนี่มันหลวงพ่อก็เป็นบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัทของพวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจึงบอกกันในบริษัทเอออย่าไปทำเน้อสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่ดีเน้อลูกหลานเน้ออันนี้คือคือศีลห้านะศีลอุโบสถก็สําหรับผู้ที่จะขัดเกลากิเลสให้เบาบางการรักษาศีลอุโบสถ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 นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะส่เลนะสุขติงยันติส่เลนะโภกะสัมปทธาส่เลนะนิพุติงยันติตัตสมาส่ลังวิโสทะเยสาเอาต่อนี้ไปให้คณะสัายาติยมอยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันอ่าแล้วก็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 เป็นวันสมาทานศีลเป็นวันรักษาโบสถศีลภายในวัดของหลวงพ่อเพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมมาสู่วัดวาศาสนาอันดับแรกก็ได้ไหวยพระแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีลห้าตามอัธยาศัยแต่ถึงยังไงก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่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 อะไรทกอย่างไม่ถึงกับขาดสนแต่ขาดสนก็คือหาเงินยากไปสักหน่อยท่านเองก็ไม่เป็นไรมีอาหารการกินอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจอะไรมากอันนั้นเป็นขอ ง, ของใช้ของอำนวยความสะดวกแต่เมื่อจำเป็นไม่กระจําเป็นแต่ว่าแต่ทํายังไงเรามีบุญวัดศาสนาบารมีเกิดมาอย่างนี้ก็เอายินดีขนาดนี้ก่อนแต่ก็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 ปุเพจักระตาปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิใกล้ว่าปุเพกจกระากตาปุญญาตาปฏิรูประเทสวาโซจะอยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศปฏิรูประเทศคือประเทศเไม่ฆ่าประชาชนมากคล้ายๆกับว่าแผ่นดินไม่ไหวภูเขาไฟไม่มีน้ําไม่ท่วมพายุไม่ถลม่มไม่ฆ่า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 ถ้าเราไปเกิดประเทศจุนู้นในอแอฟริกาดูสิละหัวโตๆท้องใหญ่ๆขารีบๆนะ่ะถ้าเราไปเกิดอย่างนั้น่ะเป็นยังไงอาหารการบริโภคไม่มีแต่พวกเราเนี่เกิดอยู่ในประเทศที่สมบูรณ์อาหารการบริโภคเหลือเฟือฟุ่มเฟือยมากๆอันนี้เราปฏิรูปประเทศปฏิรู ป, รปรเทสวาโซจ์จัปุก・เพจจักรตะปุญญาตาพวกเราคงได้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 ที่จะพานําพวกเราไปสู่ปรโลกภัยภาคหน้านั่นแหละตายแล้วไม่สูญเนอะตายแล้วเกิดอีกเนีที่หลวงพ่อเปียบเทพบยาให้คณะทศไทาญาติโยมได้ฟังบอกว่าร่างกายของเราเนี่เหมือนกับรถแต่จิตใจคือนามะธรรมาตัวรู้ๆเนี่ยความรู้เนี่ยเหมือนกับคนขับรถเมื่อรถของเราใช้มานานรถคันนี้ก็ต้องพังธรรมดาเหมือนกับเราใช้รถคันหลายปีเน่ยหลายปีมันก็ต้องพังใช่ไหมล่ะ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 แผลในสุก็เมื่อแก่ไปแก่ไปก็ถึงจุดจบของชีวิตแต่ร่างกายนย่เหมือนกับรถอย่างที่ว่ารถของเราก็ใช้ไปใช่ไป เ, เดี๋ยวก็ล้อหลุด เ, เดี๋ยวก็คันทรงหลุด เ, เดี๋ยวก็ตัวถังผุ เ, เดี๋ยวคันซี้อะไรมันเสียหายมากมายหลายๆอย่างพอรถแต่โซเฟอร์ในเมื่อรถมันเก่ามันคํำค่าแล้วจะทำยังไงเราได้เตรียมเงินไว้ยอย่างในกระเป๋ ถ้าเราไม่ได้เตรียมเงินไว้น่ยให้คิดให้ดีนะเมื่อรถคันนี้พังไปแล้วเนี่ยเราจะมีเงินไปซื้อรถคันใหม่ไหมเนี่ยถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะพอรถคันนี้พังเท่านั้นแหละท่นี้ออกจากร่างกายของเราไปเนี่ยไปที่ไหนเพราะเราไม่มีบุญเพราะเราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจพอในสุดออกจากร่างนี่แล้วก็ ตเตเตมองไปมองมาเออก็มองไปเห็นท้องวัวท้องควายท้องหมาท้องหมูเลยท่นนี่เออไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปเรื่อยเลยท่นนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านบอกอย่างนั้นนะคณะรัตยายาดโยมนะเออพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่โคลนต้นโพเออดอนหัวค่าหรือว่าตอนในคืนวันเดือน6กเพนน์ปุกเพนนวาสานุสติยาน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 เราเกิดมาที่ทเดี่ยวแต่นี้ไม่ใช่เราเนื้อไปโอ้ข้าไปเจ้ามาจากกลุ่มพวารีอทิษฐานแล้วข้าอยู่ที่ไหนเดือนก่อนที่ไหนปีก่อนที่ไหนปีก่อนก่อนอยู่ที่ไหนเพราะพระองค์ล้ำลึกถึงชาติก่อนที่ไหนอีกอเพราะฉนั้นมันมีพบมีชาติติดต่อนอนเรื่องกันมากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ใครมีบาปมาก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 คำมาธรมมโนเสรธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจนี่แหละหลวงพ่อบอกว่ามโนคือใจนะนะั่นร่างกา ย, ยก็คือรถมโนก็คือ จ, จิตใจร่างกายก็คือรู ป, ปธรรมมโนคือใจคือนามธรรมในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ความสำคัญเรื่องมโนมากกว่าเรื่องรู ป, ปธรรมนะ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 แต่ออกจากรถนะ่ะโซเฟอร์มีเงินหรือยังโฟโซเฟอร์ได้คิดไว้ดีหรือยังโซเฟอร์ได้วางแผนตัวเองดีหรือยังถ้าโซเฟอร์ไม่ได้คิดไว้นะ่ะโซเฟอร์จะต้องย่าตอกนะท ต, ตกทุกข์ได้ยากะท่นีช่วยไม่ได้แถึงคราวนั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบอาจารย์ที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาท อะต่อใ น, นื่ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนทนีเนาะ